ไม่สละทอดทิง้งทิ่งแล้วนั่น่าเป็นปิดไปภายารหนาแทนที่เราจะมาสละปล่อยว่างเลยมาเอาของนั้นมาเป็นอบุบเพราะานาได้แต่ของพนันคิดนีกไป็เรื่องหรอือท่านเลยเป็นนิดใส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 อันนั้นเนี่ยเรียเอาเปลือกเป็นแก่พูดกับพูดเธอเรื่องมีลูกศิษย์เขาหนึ่งคนแกะะ่แล้วทั้งหลายเขาภาวนาดีดีส ง, งบเยือกเยน็นแต่แก่เคานั้นเขาภาวนารุ้งแต่งวัตรรพัททุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนแต่เก่าเคยค้าขายธรรมะกินอย่างนั้นอย่างนี้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 พูดถึงเรื่องจิตรวมจิตเป็นสมาธิมันมีอารมณ์เอก็กตาอารมณ์มีอารมณ์มาเดียวแลวจิตใจบริสุะวิ์แกพูดไอหมูเพื่อนพูดนที่จะเกาะนาตะาันแล้วถ้าแกเัาจะสงสัยเอเป็นยังไงจิตรวมนี่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 แกก็พูดว่ า, าปลาตะเป็นตนเป็นตัวมีเที่ยวมีงาเนี่ยไม่เห็นกัดเลกไฟใหญ่เปเมโตคันเลี้างไหนมันไม่แห้งคันแห้งแล้วมันก็พอไม่เกิดแห้งแล้วก็รีบแถวไปนันนี้มันมีพืชอยู่นะท้งเรียกว่าตัณหาชินิหังตัณหาเมื่อก เยื่อให่เข้ามานนั้นนำของเมร็ดนั้นอาวิชชาเกิดจากอารมณ์ความคิดความนึกความปรุงความแต่งไอ้อวดตนอวดตัวว่าตนวิเศษทิ่สนั่นก็เรียก็าเปลือกเป็นแกน่นนอกจากนั้นอีก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 จิต ท, ที่ส่งออกไปนอกนั้นเข้าใจว่าจิตอยู่ภายในจริงอยู่จิตเมื่อกหนดพิจารณาอยู่ภายในแต่มันส่งสายเรียกว่าอยู่ภายนอกคือมันนอกจากตัวนอกจากจิตงจิต ท, ที่มันคิดไม่เฉพาะในจิตนั่นแะมันอยู่เฉพาะในจิตนั่นแหะแต่มันต้องส่งออกไปภายนอกเช่นเห็นรูปเห็นนามอะไรต่าง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 พิจารณาก็หรือจะให้มันอยู่นิ่งอยู่ก็ได้จหจมันออกทงส่ายเพก็ะได้รู้ตัวอยู่หรือจะให้มันนิ่งอยู่ในที่เดียวกระได้แมนมันส่งไปที่อื่นที่ไกลนอกจากใรอันนี้นอกจากใจอันนั้นเรียกว่าเราจับแขียนได้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 ไม่พอใจจิ่งต่างที่กระทบอารมณ์อันนั้นเรียกว่าผิดท้านถูกหรือผิดสังเกตในตรงนี้ถึงว่าจะผิดมากถึงว่าจะผิดมากผิดน้อยเท่าไหร่ต็อให้รักษาไว้ก่อ น, น, นอันนั้ น, อ, น, น, นอันที่มันเป็นนั้นแล้วค่อยสังเกตที่หลัง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 อยู่สามสิบสี่ทีปีขึ้นไปกรนาดเนื้อหัวที่เดียวคิเลศนนดองในสันดานไม่สามารถจะ ง, งับนับศูนย์ไปได้ติดอยู่นั่นแะเกิดขึ้นมาเรียกว่าสะสมคิเลตตรงนั้นไว้ให้ฟักอยู่ในใจให้นอนเนื่องอยู่ในใจให้ค่อยฟักตัวขึ้นมาค่อยจเจริญมอกหนั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 ครู บ, บาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีเมื่อไรจะมาเกิดอีกก็ไม่ทราบครูบาอาจารย์ก็นานนักนานหนาซึ่งจะได้ประสบพคบครู บ, บาอาจารย์ที่สอนให้เราละสอนให้เราทิ้งนั้นสิ่งที่มีอยู่ในใจของตนไม่ดีไม่งามเห็ุนั้นอึงว่าเมื่อเรามาปฏิบัติฝึกหัดเห็นเรื่องโทษของตนเองแล้ว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 ไม่เห็นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งแล้วไม่ไม่เห็นเป็นก้อนดินก้อนหนึง่งก้อนดินก้อนนี้นะใครจะว่ากระตามมันเถอะถ้าเหมือนก้อนดินก้อ น, นใหญ่ๆที่อยู่ตามเพื่อนมาตะเคีนเที่เราเหยียบย่ํอย่านี้แหละใครจะว่าไงเมื่อมากระทบกระเทอือดใครว่าเนะว่างน้ยมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะบวนน้ำลายใส่ใครขี้มูกใส่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 มันเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจิต ท, ที่เป็นหนึ่งะมันเป็นบางครั้งบางคราวถ้าห้องมาชมีชํานาถ้าชมีชํานาเนาี่ยเห็นเป็นหนึ่งตลอดเวลาท่านไม่ชํานาญมันเห็นเป็นบางครั้งบางคราวกลับก็เห็นเป็นมาก่าอีกและจึงให้พรวนาเบื้องต้นทียวเบื้องต้น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 เฉพาะจิตเป็นหนึ่งก็เอาละเทะ่านั้นแหะไม่ต้องอึดเกลื่อัดอันนี่ยเรียกว่าฮัดชำระจิตของตนให้มันยังเหลือใจคราวนี้จิตถ้ามันเหลือใจแล้ค่านี้จันเป็นหนึ่งมันเหลือมันเหลือได่ใจใจคือของกลางวางเฉยไม่มีอารมณ์อะไรเเรเแลยวเรียกว่าใจ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 กองวางเฉยอยู่คนเดียวแต่ให้รู้ตัวอยู่เา้าเรียกว่าใจเห็นเทนี้ก็พอไม่ต้องเห็นอื่นไกลให้ได้เทนี้ม่เอาอื่นไกลเอาทําสมาธิภาวนาต่อไปมี่ก็มีิว่าดังนั้นรัพยิเงินทองอยู่ในบ้านในช่องเราไม่หายไปไหนในเวลาที่เรานั่งก็ไม่หาย